ยังไม่เสด็จสู่มหาปริณิพานธาตุว่าองค์พระบรมครูพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามปัญหาสี่ข้อแก่บุษสาวของช่างทอหูกเธอได้กราบทูลตอบทั้งสข้อคำถามและคำตอบมีว่าดังนี้ 1. ถามเจ้ามาจากไหนตอบไม่ทราบพระเจ้าค่าข้อ2 ถามเจ้าจะไปที่ไหนตอบไม่ทราบพระเจ้าค่าข้อ3ถามเจ้าไม่ทราบหรือตอบทราบพระเจ้าค่าข้อสถามเจ้าทราบหรือตอบไม่ทราบพระเจ้าค่าฝูงชนที่เฝ้าอยู่พากันยกโทษเด็กผู้หญิงนั้นว่า กราบทูลเหาะแหละเล้ยวไหลกับพระพุทธเจ้าเป็นการไม่สมควรเมื่อตรัสถามว่ามาจากไหนก็ควรจะกราบทูลว่ามาจากบ้านของตนเมื่อตรัสถามว่าจะไปไหนก็ควรจะกราบทูลว่าจะไปโรงทอหูกองค์พระบรมครูทรงสดับเสียงอื้ออึงของมหาชนจึงตรัสขอให้สงบเสียงแล้วตรัสถามให้เด็กหญิงผู้นั้นอธิบายคำตอบ เด็กหญิงผู้นั้นก็กราบทูลอธิบายว่าคําตอบที่1หมายความว่าไม่ทราบว่ามาเกิดในชาตินี้จากที่ไหนคําตอบที่สองไม่ทราบว่าจุติคือเคลื่อนชาตินี้แล้วจะไปเกิดในที่ไหนคําตอบที่3คือทราบว่าความตายจะมีแน่คําตอบที่4ี่คือไม่ทราบว่าจะตายเมื่อไหร่ พระบรมครูประธานสาธุการทรงรับรองว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วตรัสพระธรรมบทสั้นๆว่าโลกนี้มืดมีน้อยคนในโลกนี้จะมีปัญญาเห็นแจ้งน้อยคนจะไปสวรรค์นิพพานเหมือนนอกที่ติดข่ายน้อยตัวจะหลุดไปได้เด็กหญิงผู้นั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมออกจากที่เฝ้าถือกระเช้าได้ ไปให้บิดาที่โรงทอหูบิดากำลังนั่งหลับอยู่ที่เครื่องทอหูผลักปลายกระสวนไปในความฝันพอดีไปกระทบอุระของบุตรีเข้าโดยแรงเธอสิ้นชีวิตในขณะนั้นแต่เป็นผู้ที่องค์พระบรมครูได้โปรดแล้วจึงมีคติดีเป็นที่แน่นอนพระบรมครูทรงมุ่งเสด็จไปโปรดเธอ เพราะเธอได้เจริญมรณสติมาถึงสปีแล้วทรงทราบว่าเธอจะต้องตายในวันนั้นแน่จึงเสด็จไปดักโปรโดตรงที่เธอจะเดินผ่านไปและตรัสถามปัญหาในแนวปฏิบัติอยู่ของเธอเธอจึงตอบได้ถูกส่วนผู้อื่นไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่รู้เรื่องอยู่เองการเจริญมรณาสติหรือการมีสติระลึกถึงความตายอยู่เสมอเป็นหนทางเลิอดหนทางหนึ่งที่จะยกจิต ให้สูงขึ้นได้ผลจากความยึดมั่นปลูกพันธ์ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้เมื่อมีสติระลึกไว้เสมอว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาวันหนึ่งเราจะต้องตายเมื่อความตายมาถึงจะไม่มีผู้ใดติดตามไปเป็นเพื่อนอเราได้ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ที่รักใคร่ห่วงใ ย, ยเราเพียงไรจะไม่มีสมบัติใดที่เราจะนาติดตัวไปได้ไม่ว่าจะเป็นเพียงนิด น้อยเพียงไหนและไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราสแสวงหามาสะสมไว้ด้วยความยากลำบากยากเขียนเพียงไรเมื่อความตายมาถึงเราจะต้องละทุกคนทุกสิ่งไว้ในโลกนี้เราจะต้องไปแต่ลำพังกับกรรมดีหรือกรรมชั่วที่เราทำไว้เท่านั้นถ้าเราทำกรรมดีไว้เราก็จะไปเป็นสุขสู่สุขคติถ้าเราทำกรรมชั่วไว้เราก็จะไปเป็นทุกข์ สู่ทุกขติพิจารณาหนึ่งหนึ่งดังนี้จะสามารถยังจิตให้เป็นอิสระปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นโดยควรแก่ความปฏิบัติได้รับผลเป็นความสุขอันเป็นรถเลิศของความมีอิสระเสรีนครชายแดนจิตตภาวนาที่องค์พระบรมครูตรัสแนะนำให้นำมาใช้แก้สถานการณ์ในจิตนรนั้น คูบารมีจำได้ขึ้นใจในพระพุทธพน์ประกอบด้วยอุปมามีใจความว่ามีนครชายแดนของพระราชามีกำแพงและเสาระเนียรอันมั่นคงมีหประตูในประตูของพระราชานั้นเป็นคนมีปัญญาเฉลียวฉลาดห้ามคนที่ไม่รู้จักไม่ให้เข้าอนุ ญ, ญาตให้แต่คนที่รู้จักเข้าไปในเมืองนั้น ได้มีทูดด่วนคู่หนึ่งมาจากทิศตะวันออกคู่หนึ่งมาจากทิศตะวันตกคู่หนึ่งมาจากทิศเหนือคู่หนึ่งมาจากทิศใต้ถามนายประตูนั้นว่าเจ้าแห่งเมืองนี้อยู่ไหนนายประตูก็ตอบว่านครสามีคือเจ้าเมืองนั่งอยู่ที่ทางสีแพร่งตรงกลางเมืองธูดคู่นั้นคู่นั้นจึงมอบยะถา ภูตะพศคือคำตามที่เป็นจริงแก่นครสามีปฏิบัติตามมักคือทางที่มาแล้วอุปมานี้ผูกขึ้นเพื่อให้รู้ความดังนี้คำว่านครนี้เป็นชื่อของกายอันประกอบด้วยมหาภูตะคือธาตุดินน้ำไฟลมทั้งสี่ที่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิด เติบโตขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมมีอันต้องอบนวดต้องแตกทำลายเป็นธรรมดาคำว่ามีหกประตูเป็นชื่อของอายตนาภายในทั้งหกคำว่านายประตูเป็นชื่อของสติคำว่าทูต ด, ด่วนคู่หนึ่งเป็นชื่อแห่งสมถะและวิปัสสนาคำว่านครสามีเป็นชื่อแห่งวิญญาณคือจิต คำว่าทางสี่แพร่งตรงกลางเมืองเป็นชื่อแห่งมหาภูตา ร, รูปทั้งสี่คือธาตุ ด, ดินน้ำไฟลมคำว่าคำตามที่เป็นจริงเป็นชื่อแห่งนิพานคำว่าทางตามที่มาแล้วเป็นชื่อมักมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกปะ ความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคู่บารมีมีความรู้ในพระพุทธคุณทราบซึง้งว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้จิตนครโดยพระจักแจ้ง และได้ตระหนักแน่ว่าการที่จะแก้ไขสถานการณ์ที่เรวร้ายในจิตนครให้ได้ผลดีที่แน่นอนนั้นมีอยู่วิธีเดียวคือตั้งสมถะและวิปัสสนาทั้งคู่นี้เป็นทูตเข้าไปแจ้งถ้อยคําตามที่เป็นจริงแก่นครสามีและการที่ทูตทั้งคู่นี้จะเข้าเมืองได้ก็จำเป็นต้องมีสติเป็นนายประตูถ้ามีผู้อื่นที่เป็นพักพวกของสมุทย หรือคู่อสวะเป็นนายประตูก็จะต้องไม่ยอมให้ทู่ทั้งคู่นี้เข้าไปแน่นอนฉะนั้นก็จะต้องหาทางให้สติได้มีหน้าที่เป็นนายประตูให้จงได้ก่อนวิธีดังนี้เองที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่าจิตตะภาวดาและทรงแนะนำให้ใช้นิมิตเครื่องกาหนดหลายอย่างกับโยนิโสมนสิการจะใช้กับใคร ก็ใช้กับนครสามีนั่นเองพระพุทธองค์ต้องได้ตรัสรู้แล้วว่าใช้ได้ผลแน่ไม่เช่นนั้นก็จะไม่ตรัสสอนให้ใช้คู่บารมีจึงมีความเชื่อตั้งมั่นในองค์พระบรมครูรีบชักชวนโยนิโสมนสิการกับบรรดานิมิตที่ทรงแนะนำไปหานาครสามีทันทีจะเห็นได้ว่า จิตภาวนาเป็นวิธีปฏิบัติที่ได้ผลแน่นอนในการแก้สถานการณ์วุ่นวายเลวร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตใจพระพุทธองค์จึงทรงยกขึ้นมาตรัสแนะนำแก่คู่บารมีบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งนั้นควรน้อมรับคําที่ทรงแนะนำมาปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความสงบสุขไม่มีความวุ่นวายในจิตใจมากน้อย ตามควรแต่ความปฏิบัติของตนของตนโยนิโสมนสิการอสุภานิมิตเมื่อคู่บา ร, รมีนำโยนิโสมนสิการกับนิมิตต่างๆเข้าเฝ้าก็ยังไม่แน่ใจนักว่าจะผ่านประตูเมืองเข้าไปได้หรือไม่แต่ก็นึกมั่นใจว่าฝ่ายของตนดำรงตำแหน่งในประตูคือสติ และก็ได้พบสติเป็นนายประตูจริงๆสติเปิดประตูเมืองรับคู่บา ร, รมีก็นำโยนิโสมนสิการและนิมิตต่างๆเข้าพบนครสามีทันทีประจวบเวลาพอดีกับที่คู่อาสวะพละออกไปนับว่าเป็นเวลาปลอดนครสามีจึงต้อนรับคู่บา ร, รมีพร้อมกับคณะด้วยดีคู่บา ร, รมีได้แจ้งจำลงขอแสดงนิมิตต่างๆให้ดู และขอให้โยนิโสมณสิการเป็นผู้บรรยายดูก็น่าจะคล้ายกับขอฉายภาพยนต์ให้ดูและให้โยนิโสมณสิการเป็นผู้แสดงภาคนักกรรามีก็ตกลงคู่บรารมีก็แสดงนิมิตต่างๆดังนี้อสุพานิมิตนิมิตที่ไม่งามเช่นผมขนเล็บฟันหนังของคนเป็นที่สกปรก แสดงให้เห็นเหมือนอย่างเห็นในภาพยนตร์ให้เห็นถึงสิ่งที่หมองคล้ำถึงสวดทรงที่น่าเกลียดถึงกลิ่นที่เหลือทนถึงที่เกิดที่อยู่เกลือกลั้วอยู่ด้วยสิ่งสกปรกแล้วแสดงของคนตายพร้อมทั้งร่างกายที่เป็นศพทั้งหมดเป็นต้นโยนิโสมนัสิการได้บรรยายประกอบภาพให้เห็นเป็นอสุภะจริงจังและบรรยายให้ทุกคนรู้สึกว่า ผมขนเป็นต้นรวมเข้าเป็นกายนี้ทั้งหมดของตนก็เป็นเช่นนั้นยังเป็นอยู่ก็น่ารังเกียจตายแล้วไม่ต้องพูดถึงต้องเปื่อยเน่าน่ารังเกียจเต็มที่โยนิโสมนสิการได้บรรยายให้เห็นว่าวัยที่ยังหนุ่มสาวชีวิตที่รักษาร่างกายไว้ไมิให้เน่าเปือ่อยเครื่องตกแต่งการตกแต่งต่างๆเป็นเครื่องปกปิด เป็นเครื่องพรางมิให้เห็นความไม่สะอาดความปฏิกูลที่มีอยู่เป็นปกติเมื่อเพิกเอาเครื่องปกปิดออกเสียก็จะมองเห็นสิ่งปฏิกูลได้ชัดเจนแม้จะยังมีเครื่องปกปิดก็ไม่อาจปิดบังสติปัญญาที่จะตรวจตราพิจารณาให้มองเห็นความจริงไปได้ภาพอสุภะที่ปรากฏขึ้นนี้แหละอสุภะนิมิทาให้กามฉัน ซึ่งเป็นสมุนสำคัญของสมุทรไทยวิ่งหนีออกห่างไปทันทีสติปัญญาจึงเป็นความสำคัญในการบริหารจิตยิ่งกว่าอะไรอื่นทั้งนั้นพยายามให้เผลอสติเผลอปัญญาน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้การบริหารจิตก็จะได้ผลหนักแน่นมากมายพอสมควรการบริหารจิตได้ผลเพียงใดจะรู้ได้ที่ใจ ใจสงบสบายเพียงไหนก็แสดงให้ปรากฏว่าการบริหารทางจิตให้ผลดีขึ้นเพียงนั้นเมื่อต้องการใจที่สงบสบายก็ต้องบริหารจิตเมตตาเจโตวิมุตรั้นคู่บรรมีแสดงอสุพานิมิตโดยมีโยนิโสมนสิการบรรยายประกอบพอสมควรแล้วก็แสดงนิมิตอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีคำเรียกว่า เมตตาเจโตมิมุตซึ่งออกจะยาวและดูจะแปลกใหม่สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นต่อคำบาลีแต่ชื่อไม่สำคัญความสำคัญอยู่ที่ลักษณะหน้าตาทั้งมีผู้บรรยายช่วยให้เข้าใจให้มองเห็นภาพพระจักนิมิต ท, ที่สองนี้มีลักษณะเป็นคนมีจิตใจดียิ้มแย้มแจ่มใสมองมาด้วยสายตาที่เป็นมิตร ผู้มีความปรารถนาดีเต็มที่ช่างคล้ายคลึงกับสายตาของบิดามารดาผู้มีจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยความรักมองไปยังบุตรธิดาหรือสายตาของบุตรธิดาเองผู้มีจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยความเคารพรักมองดูมารดาบิดาสายตาของทั้งสองฝ่ายประสานกันด้วยความรักอันบริสุทธิ์ประกอบด้วยความสุขอันอบอุ่น แสดงถึงจิตใจที่พ้นแล้วจากความขึงเครียดมุ่งร้ายแม้แต่น้อยแม้นครสามีก็ได้ทราบซึ้งถึงภาพนิมิต ท, ที่ปรากฏนั้นโยนิโสมณสิการจึงได้อธิบายประกอบอีกเป็นต้นว่านั่นแหละที่เรียกว่าเมตตาเจโตวิมุตตซึ่งมีคำแปลว่าความหลุดพ้นแห่งใจด้วยความเมตตาหมายความว่าความหลุดพ้นจากพยาบาท คือความคิดมุ่งร้ายด้วยอำนาจโทสะเพราะเจริญเมตตาให้เกิดมีขึ้นในจิตใจยพยาบาทเป็นเครื่องเศร้าหมองทางจิตใจยอย่างหนึ่งมีขึ้นในเมื่อประสบอารมณ์คือเรื่องที่ไม่ชอบใจเช่นมีใครมาทำร้ายด่าว่าให้เจ็บใจจึงเกิดพยาบาทขึ้นคือเกิดความโกรธอย่างแรงจนถึงคิดมุ่งร้ายหมายให้เขาถึงความวิบัติอันตราย ก็ทําให้จิตใจเศร้าหมองเดือดร้อนเหมือนอย่างถูกไฟเผาแต่ก็สามารถหลุดพ้นจากพยาบาทดังกล่าวได้ด้วยอํานาจเมตตาอันเมตตานั้นคือความรักใคร่ปรารถนาให้เป็นสุขหรือความมีไมตรีจิตมิตรภาพมีลักษณะตรงกันข้ามกับความพยาบาทอันพยาบาทนั้นมุ่งร้ายหมายให้วิบัติส่วนเมตตามุ่งดี ปรารถนาให้ประกอบด้วยสุขสมบัติพยาบาทเป็นไฟเผาใจให้ร้อนเมตตาเป็นน้ำพรมใจให้เย็นเป็นสุขแต่เมตตาจะมีขึ้นในจิตใจได้ก็ต้องหัดปฏิบัติทำเมตตาภาวนาคืออบรมเมตตาให้มีขึ้นคือหัดแผ่ใจที่มีเมตตาออกไปแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเจาะจงหรือแผ่ออกไปโดยไม่เจาะจงโดยเจาะจงนั้น เช่นในบุคคลที่เป็นที่รักเช่นในมารดาบิดาครูบาอาจารย์มิสหายในบุคคลที่เป็นปานกลางตลอดถึงในบุคคลที่เป็นศัตรูหรือที่ไม่ชอบพอกันท่านอาจารย์ผู้อธิบายพระพุทธวจนะอธิบายว่าให้แผ่ไปในตนเองด้วยก่อนแล้วจึงแผ่ไปให้คนอื่นสัตว์อื่นด้วย สอนให้แผ่ไปในคนที่จะแผ่เมตตาออกไปง่ายก่อนเช่นในคนที่เป็นที่รักแล้วจึงแผ่ไปในคนที่จะแผ่ยากเช่นในศัตรูโดยไม่เจาะจงนั้นคือแผ่ไปในสรรพสัตว์ไม่เลือกว่ามนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานหรือเทพพยายดามารพรหมผู้ไหนองค์ไหนตนไหนตัวไหนมิใช่แต่เมตตาข้อเดียวแผ่กรุณา ความสงสารคิดช่วยให้ผลทุกข์มุติตาความปลอยยินดีในความสุขความเจริญของผู้อื่นอุเบขาความวางใจเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายในเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติด้วยเพ่งพิจารณาถึงกรรมเป็นประมาณเมื่อเมตตาเข้าออมาพยาบาทสมุนของสมุทัยจะวิ่งหนีออกไปทันทีจิตก็จะพ้นจากพยาบาทด้วยเมตตา นี้คือเมตตาเจโตวิมุตต์พยาบาทเป็นไฟเผาใจให้ร้อนเมตตาเป็นน้ำพรมใจให้เย็นเป็นสุขบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายถ้าไม่ชอบให้ไฟเผาร้อนก็ต้องพยายามอบรมเมตตาให้ยิ่งขึ้นเสมอไปจะได้มีใจเย็นเป็นสุขด้วยมีน้ำแห่งเมตตาพรมใจอาโลกสัญญาใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจดังนั้นเรื่องของใจคือเรื่องของจิตตนครจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกคนควรที่ทุกคนจะต้องได้ศึกษาให้เข้าใจแม้เพียงพอสมควรได้กล่าวถึงเรื่องจิตตนครนี้ติดต่อกันมาและจะกล่าวต่อไปก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจพอสมควรดังกล่าวนั่นเอง นครสามีหรือเจ้าเมืองแห่งจิตนครมีความโลเลไม่มั่นคงฟังเสียงทั้งฝ่ายดีและฟังเสียงทั้งฝ่ายชั่วคือฟังทั้งฝ่ายคู่บา ร, รมีและฟังทั้งฝ่ายคู่อสวะเป็นเหตุให้นครสามีปกครองจิตนครให้ร่มเย็นเป็นสุขได้บ้างให้วุ่นวายหรือร้อนไปบ้างฝ่ายคู่บา ร, รมีมีความมุ่งมั่นจะเอาชนะคู่อสวะให้ได้ จึงนำคณะคือโยนิโสมนสิการกับนิมิตต่างๆเข้าพบนครสามีขอแสดงนิมิตต่างๆโดยมีโยนิโสมนสิการเป็นผู้บรรยายได้เริ่มแสดงอสุพานิมิตเป็นประกาศแรกจนทำให้กามฉันสมุนสำคัญฝ่ายสมุไทยคือฝ่ายคู่อสวรหนีไปแล้วจึงแสดงเมตตาเจโตวิมุตโดยมีโยนิโสมนสิการบรรยายอีกเช่นกัน ว่าเมื่อใดเมตตาเข้ามาสู่จิตนครเมื่อ น, นั้นพยาบาทสมุนของสมุไทยก็จะวิ่งหนีออกไปทันทีจิตจะพ้นจากพยาบาทด้วยเมตตานี้คือเมตตาเจโตวิมุตต์อันชาวจิตนครย่อมมีความเข้าใจภาษาทางจิตได้ดีกว่าชาวนคอนอื่นๆเป็นพิเศษฉะนั้นเมื่อได้เห็นภาพของคนมีจิตประกอบด้วยเมตตา ได้ฟังคำภาคประกอบเรื่องแห่งโยนิโสมนสิการก็เข้าใจความแห่งคำว่าเมตตาเจโตวิมุตเจ่มแจ้งคือว่าจิตพ้นจากพยาบาทด้วยเมตตาและวิธีแก้จิตให้พ้นจากพยาบาทก็ด้วยเมตตาภาวนาคือความอบรมเมตตาหรือที่เรียกว่าเมตตาภาณนาแผ่เมตตา ครั้นคู่บา ร, รมีเห็นว่าควรจะแสดงต่อไปอีกได้แล้วจึงแสดงนิมิตต่อไปคือใช้แสงสว่างโปร่งขึ้นเป็นแสงที่ทำให้ตาสว่างใจสว่างและแสดงภาพคนที่กระปี้กระเป๋าเข้มแข็งไม่อ่อนแอมีความเพียรเริ่มจับทำการงานและไม่ใช่ทำๆทหยุดหยุดแต่ทำให้ติดต่อกันไปครั้งให้ดําเนินการก้าวหน้าไม่หยุดไม่ถอยหลัง จนกว่าจะสำเร็จฟ่ายนิโสมานสิการก็แสดงภาคให้ได้ยินตัวชัดเจนว่านี่แหละคืออาโลกะแสงสว่างนี่แหละคือท่าแท้แห่งความเพียรซึ่งตรงกันข้ามกับลักษณะของลูกสมุนสมุทไทยผู้มีนามว่าถีนมิทะคือความง่วงงุนเคลืบอเคลิม้มนอกจากนี้ ก็ได้เล่าถึงวิธีที่องค์พระบรมครูตรัสสอนพระโมคคัลลานะสำหรับระงับความโง่งง่วงมีใจความว่าควรทำในใจถึงสัญญาคือข้อกำหนดใจพิจารณาหรือเพ่งที่จะเป็นเหตุให้ความโง่งง่วงครอบงำมิได้หรือควรตรึกตรองพิจารณาถึงธรรมที่ได้ฟังได้ เ, เรียนมาแล้วด้วยใจหรือควรสาธยายธรรม ที่ฟังที่เรียนแล้วโดยพิสดารหรือควรย้อนหูทั้งสองข้างและลูบตัวด้วยฝ่ามือหรือควรลุกขึ้นยืนลูบในตาด้วยน้ำเหลียวดูทิศทั้งหลายเงยนดูดาวหรือควรทำในใจถึงอาโลกสัญญาความสำคัญในแสงสว่างตั้งความสำคัญว่ากลางวันไว้ในจิตให้เหมือนกันทั้งกลางวันกลางคืน มีใจเปิดเผยชนี้ไม่มีอะไรห่อหุ้มทำจิตอันมีแสงสว่างให้เกิดหรือควรอธิษฐานจงกลมกำหนดหมายเดินกลับไปกลับมาสำรวมอินทรีย์มีจิตใจไม่คิดไปในภายนอกเมื่อปฏิบัติแก้ไปโดยลำดับดังนี้ก็ยังละความง่วงไม่ได้ก็ให้สำเร็จสีหัสยาคือนอนตะแคงข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลี่ยมเท้า มีสติสัมปชัญญะทำความหมายให้อันจลุกขึ้นไว้ในใจพอตื่นแล้วก็ให้รีบลุกขึ้นด้วยความตั้งใจว่าจะไม่ประกอบสุขในการนอนจากไม่ประกอบสุขในการเองข้างหลังจากไม่ประกอบสุขในการเครื่อเคลืมการปฏิบัติเพื่อแก้ความงอก ง, ง่วงทั้งปวงนี้จําเป็นต้องใช้ความเพียรตั้งต้นแต่ต้องมีใจเข้มแข็ง คิดเอาชนะความงกง่วงให้จบได้ปฏิบัติโดยลำดับจนถึงทุกวิธีแล้วยังแก้ไม่ได้ก็หมายความว่าร่างกายต้องการพักผ่อนจึงต้องให้พักวิธีทั้งปวงนี้สรุปเข้าในความทำใจให้สว่างหรือความเพียรกล้าแข็งก็ได้เมโมยนิโสมนัษษษิการกล่าวภาคไปดังนี้ประกอบกับภาพของคนที่ปราศจาก ง่วงเงาหาวนอนเพราะมีจิตใจสว่างแจ่มใสมีความเพียรเข้มแข็งไม่ท้อแท้อ่อนแอสมุนของสมุทรไทยผู้มีนามว่าถีนมิ tha ก็หนีห่างออกไปทันทีความเพียรจริงไม่ท้อแท้อ่อนแอเป็นเหตุให้เกิดความสำเร็จได้ในทุกสิ่งทุกประการผู้มาบริหารจิตทั้งหลายควรเห็นค่าของความเพียร และเพิ่มพูนความเพียรในสิ่งที่ดีที่ชอบให้ยิ่งขึ้นเสมอไปผลจะเป็นความสำเร็จในสิ่งที่ดีที่ชอบตามควรแก่ความปฏิบัติอาณาปานสติคู่บรมีเห็นว่าละครสามีไม่อิ่มไม่เบื่อต่อภาพและอธิบายภาพของโยนิโสมนสิการและสังเกตเห็นได้ชัดว่ามีสีพักช่มชื่นแจ่มใส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 ความสงบใจต่อไปอีกทันทีเป็นภาพของลมหายใจที่มากระทบกับปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบนแล้วผ่านเข้าไปถึงหัวใจและปรากฏอาการกระเพื่อมที่นาพีนี้เป็นลมขาเข้าแล้วแสดงภาพลมขาออกนาพีกระเพื่อมลมจากหัวใจออกมาที่ปลายจมูกลมหายใจที่แสดงในภาพมองเห็นเป็นลำหรือเป็นเส้น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 นั่นแหละใจโดยปกติเป็นอย่างไฟผนียงคือฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆมากมายหลายสายหลายเรื่องเหลือที่จะนับได้เหมือนอย่างไฟผนียงที่พุ่งขึ้นจากกระบอกเหลือที่จะนับเม็ดได้ว่าเท่าไรและกี่สายดูพุ่งขึ้นไปพลวันพลเกสับสนไปหมดถ้าเป็นไฟผนียงก็น่าดูแต่เมื่อเป็นใจมีอาการที่พุ่งพลาดเหมือนอย่างนั้น ก็น่าเป็นบ้าตายครั้นแล้วคู่บา ร, รมีก็แสดงภาพของไฟผืเงียงที่สงบลงโดยลําดับเพราะดินชนวนในกระบอกน้อยลงไปเมื่อหมดดินไฟก็มอดดับโยนิโสมนัสิการก็แสดงประกอบว่าที่คนเราไม่พากันเป็นบ้าตายก็เพราะชนวนที่ทําให้ใจฟุ้งซ่านมีสิ้นไปหมดไปตามธรรมดาเป็นเรื่องเป็นเรื่องไป ใจเมื่อฟุ้งขึ้นไปแล้วก็สงบเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นระยะระยะไปเหมือนไฟพเนียงที่พุ่งขึ้นแล้วก็ดับเขาก็ใส่ดินชนวนเข้าใหม่แล้วจุดอีกก็พุ่งขึ้นอีกหมดดินปืนก็ดับอีกจึงเป็นอันได้พักอยู่ในตัวเองเป็นระยะระยะไปตามธรรมชาติธรรมดาแต่ก็ได้พักเป็นอยู่ไม่นานก็ต้องพุ่งขึ้นเป็นไฟพเนียงไปใหม่อีก ถ้าดินชนวนแรงไปไฟพุ่งแรงไปกระบอกก็อาจแตกระเบิดฉันใดก็ดีถ้าเรื่องที่เป็นชนวนแรงไปใจฟุ้งซ่านมากไปก็อาจทำให้เป็นบ้าหรือเจ็บป่วยล้มตายลงได้ดังที่มีตัวอย่างอยู่บ่อยๆครั้นแล้วคู่บา ร, รมีก็ได้แสดงภาพเป็นจุดไฟปรากฏขึ้นเป็นลำหรือเส้นลมหายใจให้มองเห็นเป็นลำหรือ เส้นไฟเข้าออกเข้าออกดูคล้ายกับหายใจเป็นไฟเป็นลำเส้นเข้าเข้าออกออกแล้วก็แสดงให้เหลืออยู่เพียงจุดไฟกลมๆเพียงจุดเดียวที่ปลายจมูกแล้วก็ค่อยเลื่อนลงไปอยู่ที่ฮาไทยบางคราวลองให้เลื่อนลงไปอยู่ที่นาพีแต่จุดไฟดวงเล็กนี้ต้องกระเพื่อมขึ้นลงเหมือนอย่างชิ้นไม้เล็กๆที่ลอยกระชอกอยู่ในคลื่นจึงหลบขึ้นมา สว่างเป็นจุดอยู่ที่ฮะไทยตรงกึ่งกลางอุระก็หายกระชอกเป็นจุดไฟที่ตั้งสงบโยนิโสมณสิการจึงอธิบายประกอบว่าจุดไฟนี้แหละคือใจเมื่อมากำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจขาเข้าขาออกจนถึงว่าตั้งกำหนดรู้อยู่เพียงจุดเดียวที่ปลายจมูกหรือที่อุระตามแต่จะสะดวกใจก็จะสงบจากความฟุ้งซ่านราคาญนี้คือความสงบใจ เป็นเหตุให้อุทจจกกุกุจจะความฟุ้งซ่านราคาญใจหนีหายออกไปทันทีใจที่ไม่มีความฟุ้งซ่านราคาญเป็นใจที่มีความสงบสุขทุกคนต้องการมีความสงบสุขแต่ทุกคนไม่ปฏิบัติเหตุให้เกิดความสงบใจคือไม่ฝึกหัดกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจดังกล่าวจึงไม่ค่อยได้มีความสงบใจไม่ค่อยได้มีความสงบสุข กำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเสมอเสมอเมื่อไหร่เมื่อ น, นั้นจะได้พบความสงบใจเป็นความสุขสงบอย่างยิ่ง